ได้ลงมากรุงเทพคราวนี้นอนสองคืนนะครับนักสัตยาิโยมโลูกหลานลงมาวันที่สิบแล้วก็มีการสวดมนต์ที่สวนแสงธรรมรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนเยอะทีเดียวในคืนวันที่สิบวันเสาร์ที่สิบวันที่สิบเอ็ดเมื่อวานก็ มีการหล่อลูกเหมือนเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชสององค์รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจล้นหลางที่หลวงพ่อลงมากรุงเทพที่มาสวนแสงธรรมก็เมื่อวานเนี่ยนะวันที่11เมื่อวา น, นรู้สึกว่าคนมากมากที่สุดแล้วก็ตอนเย็นเมื่อวานนี้ ลุงพ่อได้ไปแสดงธรรมอยู่ที่วัดธรรมมงคลวันเกิดของลวงปู่วิริยังท่านอายุครบ95ปีเมื่อวานเมื่อคืนนี่ก็เยอะคนโอ้คนเยอะจริงๆแต่วันนี้ก็ได้มารวมสรรเจริญพระพุทธมนต์อันเนื่องมาจากครบ รอ้อปีเอ้ยร้อยวันของคุณต้นและก็พร้อมกันก็ทําบุญอุทิศส่วนถึงคุณหลวงที่เป็นคุณพ่อด้วยและก็พร้อมกันทําบุญที่คุณยมคุณโยมแอดแทนที่เป็นแม่ที่เจ็บไข้ได้ป่วย เ, เป็นการทําบุญต่ออายุเป็นอายุวัฒนะ จเจริญทําบุญในเมื่อหายเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็นิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทั้งหมด <c oughs> ที่มาร่วมงานจเจริญพระพุทธมนต์ออขอให้สุขภาพแข็งแรงนะ่าถึงยังไงจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายแต่ว่าจิตใจให้เข้มแข็งหลวงพ่ออยาก จ, จะให้จิตใจเข้มแข็ง ให้สู้อย่างน้อยก็มีชีวิตอยู่สักชั่วระยะหนึ่งวันหนึ่งก็เกิดประโยชน์เพอวันเราได้บำเพ็ญคุณงามความดีไปเรื่อยๆแต่ว่าชีวิตจบลงไปก็แปว่าชาตินั้นจบไปแต่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านไม่ใช่แต่คุณโยม ทีเดียวนะคุณโยมแอดินะี่พวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนั่นแหละนับตั้งแต่หลวงพ่อนี่ยแหละเป็นต้นไปนแต่ถึงยังไงให้พวกเราประกอบคุณงามความดีคิดดีทดําดีพูดดีจิงไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อตอนเองนั่นแ ะ, ะเป็นอันดับแรกก็คือประกอบคุณงามความดีให้ให้ทานรักษาศีลภาวนาแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภาวนาเนี่ยแหละเป็นจุดที่จําเป็นสําคัญ ถึงยังไงจะเสียหายขนาดไหนยังไงก็เตอะแต่เรื่องภาวนาเนี่ยอย่าให้ขาดตกบกพ่องเพราะเรื่องการบำเพ็ญคุณงามความดีทางด้านกุศลเนี่ยหลงพ่อยังจำไม่ลืมแต่สมัยเป็นเนรมีพระครูบายอาจารย์องค์หนึ่งท่านพูดว่าโอ้ถ้าหากว่าได้สำเร็จมรรคผลไปแล้วก็ก็ไม่มีอะไรไม่มีชื่อเสียงโด่งดัง่อ ะ, อ, ะองค์หนึ่งพูดขึ้นมา แต่หลวงปู่สิททองพูดสวนขึ้นมานะเน่ะเฮ้ยสำหรับผมนี่นะขอให้ผมพ้นทุกข์เออะทำหมดกิเลสแล้วถึงจะแก้ผ้าอยู่ผมก็ผมก็ยินดีที่จะแก้ผ้าอยู่ท่าถึงจะจนขนาดไหนก็จนข้อสำคัญให้หมดกิเลสภายนในใจอย่ามาเวียนวะอย่ามาเวียนไหวาตายเกิดในวัฏฏสงสารผมพอใจแล้วเออหลวงพ่อได้ยิน คำพูดของหลวงปู่ชิงทองในคราวนั้นแต่สมัยเป็นเนนน้อยนะหลวงพ่อยังจําไม่ลืมเออใช่เ อ, อข้อสําคัญให้เราเใจของเราเป็นมหาเศรษฐีเท่านั้นถึงจะทุกจนภายนอกเราก็ไม่ได้สนใจเพราะภายนอกอีกสักวันหนึ่งมันจะต้องทิ้งอยู่แล้วร่างกายสังขารไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายเมื่อไหร่ข้อข้อสําคัญคือให้ ใจของเราเป็นเศรษฐีใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลในเมื่อใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลนั่นอะ่ะอนาคตของเรายืดยาวยาวนานทีเดียวแต่ส่วนร่างกายของเรานี่ถึงจะทะนุถนอม เ, อเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอเนีเพราะฉะนั้นให้ทําคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีไว้นะ่ะเลิศประเสริฐแต่ความชั่วจะทำซะเลยดีกว่า ทําความชั่วแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังแต่เมื่อทําคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจแล้วนั่นแหละมีแต่ความเจริญมีแต่ความผาสุกนึกขึ้นมาเวลาใดใจของเราก็ก็ยิ้มยิ้มย่องมีความสุขใจเพราะเราได้ทําคุณงามความดีเราไม่ได้ทําความชั่วช้าเสียหายเรามีแต่ประกอบคุณงามความดีใส่ ในจิตในใจของเราอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณศสัตยาญาติโยมทุกทุกท่านนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้คิดคิดดีทดําดีพูดดีในเมื่อเราลําลึกขึ้นมาเมื่อมันผ่านไปแล้วเราล้ลึกขึ้นมาเราก็มีความสุขใจออไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าออมีความสุขในจิตในใจเมื่อเราประกอบคุณงามความดีแล้วออตอนน่อไปพระสงฆ์จะนุโมธนาให้พ่ร หลับพ่อนหะน้าอุทิศส่วนกุศลหน้าอุทิศส่วนกุศลถึงคุณหลวงด้วยคุณต้นด้วยแล้วแต่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงผู้ที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราได้พวกเรายินดีอุทิศส่วนกุศลให้นะ เ, เพราะว่าการอุทิศส่วนกุศลเนี่ยสมณเณรสมณเนร น, น้อยบวชเข้ามา พอทำประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนก็ตามเนนน้อยจะบอกเออพ่อแม่ของข้าพเจ้าญาติของข้าพเจ้าในอดีตชาติขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้ า, าทุกครั้งโดยเทิดนะเพียงแค่นี้นะเน่ยแม่เคยเป็นยักษกินีมาก่อนก็ยังมารับส่วนบุญส่วนกุศลพอมาและเท ว, วดาทั้งหลายก็ยังแยกทางให้อีกกว่า เป็นบุคคลสำคัญเพราะว่าเป็นแม่ของสัมนเนนะนี่แหละการอุทิศ ส, ส่วนกุศลนเนะพื่งเราจะมองไม่เห็นกุธลนะัทธาญาตโยมวิญญาณออหรือว่าตัวนามธรรมหรือว่าสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นออท่านมีความหมายสำหรับพวกท่านเหล่านั้นนะ